มืดถึง4ง4เป็นอาการใบด่าง <S <S ในใบลางคลายกับการเกิดโรคจากทอนพันธุ์แต่ถ้าหากติดในระยะหาถึง6เดือนตนอายุหลายหรือล่งหัวแลว้วหมากสีเห็นแค่ส่วนยอดและใบลางถัดลงมาจากยอดสีบ่พออาการใบด่างทั่วทั้งตน ใบด่างมั่นสัมปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคํำในนําของทางราชการและขอคํำแนนําเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกลบานรูเร่รูไหวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมั่นสัมปะหลัง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 ืนดีมากลาอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบซึ้ง mm hmm. จึงเป็นแรงช่วยพักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฟังฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการ mm hmm. เป็นความพาดภูมิจากรู้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 านเราพัฒนานำพาด้วยคณ น, นาทมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัาน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 เช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับนะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงวันที่ 11-12 กันยายนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยเข้าแถลงนโยบายนในสภาซึ่งก็มีการประชุมสภากันนะครับนะวันที่11กันยายนซึ่งก็เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญมาตรา162นะที่คณะรัฐมนตรีจะต้องมีการถแถลงนโยบายต่อสภานะที่ประชุมของรัฐสภาทั้งสสสวนะครับเพื่อถึงจะเริ่มที่จะบริหารประเทศได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นไปตามข้อกำหนดขอ ง, ของรัฐธรรมนูญซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายยงตรีรัฐมนตรีคลังนะก็ถแถลงนะบอกว่ารัฐบาลนี่กนะ็มุ่งหวังที่จะสร้าง ความสามคัคคีปองดองในในสังคมนะครับนะก็นำไปสู่ความร่วมมือทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะให้ก้าวหน้านะครับกว่าไทยเรากำลังเผชิญปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะสังคมการเมืองเพราะฉะนั้นนี่ก็จะต้องพยายามที่จะให้ฟื้นตัวโดยเร็วนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของของรัฐบาล นอกจากนี้นายกก็ยังพูดถึงเรื่องว่าภาคกา ร, กรเกษตรของไทยนี่ยบอกว่าเกษตรก ร, ร, กร10ล้านคนมีหนี้สินเฉลีย่ยครัวเดือนละส0 0 0 0 0บาทนะครับก็ต้องแก้ตรงนี้การเมืองก็ยังมีเรื่องของความเห็นต่างนะครับแบ่งแยกทางความคิดกันอยู่นะทั้งอาจจะเป็นต้องมาแก้ไขแหะครับนะทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งแสดนะครับนะก็จะทำอย่างไรนะครับ แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตอาชญากรรมเสยาเสพติดรุนแรงนาะยกกว่างนั้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งในการที่จะแก้ไขนะครับนะซึ่งนายกก็ บ, บอกว่าจะลุยเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะพยายามที่จะมีการกระตุน้นนะครับนะเศรษฐกิจนะครับนะให้ให้ดีขึ้นนะครับแนตะ่ซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้อง วยกันนะครับนายกก็บอกว่าเรายังมีนโยบายอยู่4ด้านนะที่เร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหานี่สินภาคเกษตรภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนอาจะเริ่มโดยการพักหนี้เกษตรกรนะครับนะตามเงื่อนไขต่างๆว่าจะต้องมีอะไรมาชดเชยหรือไม่นะ แล้วก็จะต้องมีการกระตุ้นตรงนี้นะครับอันที่2องนี่ก็คือมาตรการเร่งด่วนก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งด้านพลังงานแก่ประชาชนก็คือทั้งค่าไฟฟ้าค่าก๊าซหุงต้มค่าน้ํามันเชื้อเพลิงนะก็คือจะต้องปรับลดลงมานะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะก็ว่าอย่างนั้นนะครับนะนะก็เร่งตรงนี้แล้วอันที่3มก็คือ การผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนนะก็ต้องเร่งเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวน ะ, ะแล้วก็อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการขอวีซ่าอาจจะมีการยกเวน้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายนะครับนะซึ่งแล้วก็ยกระดับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลก นะเพราะฉะนั้นนี่ก็อย่างที่บอกว่ารัฐบาลนี่ก็มีการเปิดฟรีวีซ่านะครับสำหรับบางประเทศนะโดยเฉพาะกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราจำนวนมากเลยก็คืออินเดียจีนพวกนี้นะครับนะอันที่4ี่ก็คือการแก้ปัญหาความเห็นต่างนะทางการเมืองอาจจะต้องอมีการจัดทำรัฐธรรมนูน ยกล่างกันขึ้นมาแล้วให้รัฐสภาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะก็คงจะเป็นที่รับปากกับในส่วนของอประชาชนไว้นะครับนะนะ ก, ก็เป็นการถแถลงถแถลงของนายกนะต่อสภานะว่าจะทำในสี่มาตรการนี้นะครับที่จ ะ, ะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ส่วนในประเด็นอื่นๆ น, นี่ก็จะทยอยทำไป ครับนะซึ่งตรง น, นี้ในส่วนของฝ่ายค้านนะคือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะเป็นรองหัวหน้าพักเก้าไกลก็อภิปรายบอกว่าคำถแถลงการของของรัฐบาลนี่ก็ยังก็ก็เป็นสิ่งที่ดีจะต้องถแถลงต่อสภาเป็นเหมือนกับ GPS ในการยบอกเป้าหมายของรัฐบาลว่า4ปีจะทำอะไรบ้างแต่ว่าที่ฟังมานี่ก็ในส่วนของนายกยังไม่ได้มีรายละเอียด นะเกี่ยวกับเรื่องว่ามาตรการต่างๆนี่จะเสร็จเมื่อไหร่นะแล้วก็จะมีมาตรการสถิติตัวเลขที่ชัดเจนหรือไม่นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะให้มีความมีรายละเอียดเพราะว่าเป็นเหมือนกับพันธสัญญาที่รัฐบาลนี่สร้างไวใ้ให้กับประชาชนเพราะสมาชิกรัฐสภานี่ก็เป็นตัวแทนของภาคประชาชนนะเพราะฉะนั้นนี่ฝ่ายค้านก็ วิภาควิจารณ์กันไปนะครับในส่วนของของข้อข้อเสนอนะครับข้ในส่วนของนโยบายของของรัฐบาลนะครับนะก็คงเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยแล้วครับนะัต้องมีการถแถลงนโยบายแล้วก็มีการรับฟังแล้วก็ให้สสได้วิพากวิจาร น, นะซึ่งเราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับนะต่างๆของรัฐบาลแล้วนะครับนะมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อครับ คอยพี่ใจลอยไรอ้อยคงเหลือแต่ซาำโนเจ้าไม่หันมาแล้วพี่จะแหงนาวแทนหนวใาลมนาเอ้ยค่าเคยกอดน้ากลับทาว่า พาพักนางสู่กรุงไรอ้อยแห้งเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่ที่ทนอดสู้เ้าดูจะรุงส่วนแพะวงใหญ่อยู่ในเมือง I'm g n c k to มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในส่วนที่รัฐบาล น, นะครับเริ่มทำงานนะหลังจากมีการถแถลงนโยบายต่อสภานะสองวันแล้วครับนะก็มีรายละเอียดกันแล้วก็เริ่มมีการผลักดันงานขับเคลื่อนงานกันในทันทีโดยนายเศรษฐาทวีสินนายงตรีทำตีคงังมีการเป็นประธานประชุมร่วมกับ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาแล้วก็มีประชุมร่วมกับผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวนะครับมีการหาหรือมาตรการเร่งรัดการท่องเที่ยวระยะสั้นในช่วงเดือนกันยาย น, นปีนี้ะครับนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านที่คณะสภารือมีการ ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องนะจจะมีการกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกประเทศไทยนะรวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยและการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆนะองความการท่องเที่ยวครับนะว่าจะทาอย่างไรบ้าง นะมีการตั้งแบรนด์เอ mbassador หรือว่าการส่งเสริมภาพลักษณ์ต่างๆนะครับนะแล้วก็มีการมุ่งบุกตลาดจีนนะครับนะประถาตลาดยุโรปนะอินเดียอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นการกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวมากขึ้นซึ่งนายกก็บอกว่าได้มอบหมายให้หน่วย ง, งานพัฒนามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับนะสร้างเอกลักษณ์ละครับนะก็เชิญ ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวมาก็จะบอกว่าจะมีนโยบายฟรีวีซ่าสาหรับบางบางประเทศนะครับก็คือเดินทางเข้าเข้ามาเที่ยวประเทศเราเนี่ยอาจจะใช้แค่พา ส, สปอร์ตนะของประเทศเขานะแล้วก็อาจจะไม่มีการทำวีซ่านะครับนะวีซ่าก็คือจะต้องไป ท, ทําที่สถานทูตนะของของประเทศที่เราจะเดินทางไปนั่นแหละครับเขาเรียกว่าวีซ่านะครับนะ อาจจะมีการยกเว้ น, นสําหรับบางประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเรามากอย่างเช่นจีนอินเดียอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็กหลายฝ่ายก็บอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องจีนเทาหรือไม่นะครับถือปัญหาแก๊งคอนเซนเตอ ร, ร์หรืออาชญากรรมซึ่งก็บอกว่าจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปไปไ ป, ไปดูแลให้รัดกุมนะครับ น, ะนายกก็บอกกันแต่ว่าการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เร็วที่สุดล่ะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือเงินตราต่างประเทศนะครับเข้ามาเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจนี่กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นได้เร็วกว่ามาตรการทางด้านอื่นล่ะครับนะพอท่านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากเอาเงินมาจับใจใช้สอยนี่ก็ทําให้เรามีเงินตราต่างประเทศมากเศรษฐกิจก็จะฟื้นเพราะว่าอย่างที่บอกล่ะครับว่าทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันสัมพันธ์กับ ธุรกิจในหลา ย, ลายอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พักบ้างนะการคมนาคมขนส่งสายการบินรถนะไฟรถนะยนตและต่างๆรวมทั้งไกบ้างไกนํนำเที่ยวนะพัตตคารอาหาระไรต่างๆซึ่งจ้างคนจำนวนมากรครับรวมทั้งโรงแรมรีสอร์ทที่พักเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะี่ก็ถ้าในส่วนของนะเรามีการกระตุ้นได้ก็จะจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะแล้วก็ มีการฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะเพราะนักท่องเที่ยวนี่บางครั้งก็สนใจที่จะมาเที่ยวนอกจากการนะเที่ยวชายทะเลแถวภูเก็ตแถวพัทยาทนะางตะวันออกหรือว่าเชิงภูเขาทะเลภูเขาหรือว่าในส่วนของวัฒนธรรมแถวเชียงใหม่เนี่ก็เป็นที่นิยมเนี่ยอาจจะต้องมีการกระจายไปในพื้นที่อื่นๆ น, นะนะกันอีกนะครับในส่วนของภนะาคอีสานนี่อาจจะเป็นเชิงวัฒนธรรมนะ ศาสถิ่นในอายธรรมขอมนะก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดดึงดืดที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวแล้วก็มีขา่าวเกี่ยวกับเรื่องไทยเราก็กำลังจะเสนอเมืองเก่าศรีเทพนะคืซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีโบราณสถานในยุคทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ 12-13 เนี่ยนะครับนั่นก็คือก่อนที่จะเกิดนครวัดนครทมเนี่ยนะครับนกะ็ สีเทพนี่ก็เก่าแก่กว่านะเป็นยุคทวารวดีเพราะฉะนั้นนี่ก็กำลังจะเสนอให้เป็นมรดกโลกนะก็ถ้าได้นี่ก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะให้ให้มาเที่ยวเพราะว่าเมืองสีเทพเนี่ยเป็นอาเภอหนึ่งอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางตอนใต้ก็ติดกับโรบรีหะครับนะบรบลีหรือโละโวซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในสมัยก่อนนะซึ่งอยุธยานี่ก็ได้รับอิทธิพลจาก เราโว่นี่แหละครับนะมาการที่จะมาสถาปนาเกี่ยวกับเรื่องของอาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรสําคัญข อ, ของสยามประเทศเรานี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นีถ้ามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะโบราณสถานนะที่แถวเมืองศรีเทพอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพแต่เมืองมีเขาคัางนอกคังในซึ่งเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่นะครับกนะ็จะเป็นแรงดึงดูดได้เหมือนกัน นะครับนะในขณะเดียวกันในการเชื่อมโยงการคมานาคมกับประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็จําเป็นนะครับนะซึ่งตอนนี้นี่ในส่วนของนายกก็บอกว่ามีมาตรการว่าจะเชื่อมรถไฟรางคู่ไปเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงข้ามปกากงาสายจีนมาลาวแล้วก็มาเชื่อมไทยที่หนองคายนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะทําให้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 พบงไงยรัก